ต่มารู้จักผู้คนหนึ่งนะเธอชื่อกันตอนยุคศึกษาสิต้นๆเนี่ย mm hmm. ก็พบเจเป็นเมร็เมร็ที่เธอเป็นมันจะเกิดขึ้นกับคนแก่แต่เธอแค่สาสิบเองคือเมร็งกับพระปัสาวะ เธอก็มีความผูกใจมากแล้วก็มีความเวียงดีนะกับคนรอบข้างเลยเทากับหมอก็ทุกอยู่เป็นปีนะตอนหลังพอได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิพอนาะเธอก็แใจกอสงบลงแต่ที่เมเล่นเนี่ยก็ทั้งที่เมเล่นเนี่ยมันก็ลุกลามมากขึ้นตอเธอได้เขียนได้เขียนบันทึกนะตั้งแต่ตอนที่เริ่มรู้ว่าตัวเเป็นมะเร็ง แล้วก็จนกทังถึงเรื่องในท่างชีวิตเนี่ยมีประโยคหนึ่งนะเธอผู้ไ้น่าสนใจคือตอนที่เธอเป็นเธเป็นมะเริงเธอสูว่ามันทำไมความจริงมันโหดร้ายแบบนี้ทำไมต้องเป็นชั้นหลังจากที่ได้มาครควร ใจิตใจตัวเองเนี่ยผ่านการทำสมาธิพรานาเธอจะได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งนะเธอบอกว่ า, วาความจริงเนี่ยบางครั้งมันโหดร้ายแต่การไม่อยอมรับความจริงต่างหาที่โหดร้ายกวา่าเพราะมันเหมือนคุก นะั่ที่ขังใจเราเอาไว้อันนี้เป็นคำพูดที่มันให้ข้อคิดที่ดีมากและที่จริงมันก็เป็นความจริงซะด้วยคนเราเจออะไรก็ตามเนี่ยเม่ว่าจะแยกแค่ไหนนะแต่ทันที่ที่เราไม่ยอมรับมัน ทที่เราทนททีที่เราปฏิเสธมันเนี่ยความทุกขะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเป็นควาทุกที่เกิดจากการที่ใจเราปฏิเสธใจเราไม่ยอมรับสิ่ง น, นั้นมีพี่หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากอาหารนี่ก็เลือกกินอาหารออแ ก, กนิก เลือดเรียนอาหารที่มีสารเคมียาเรียกว่าอาหารเสริมเนี่ยเธอก็ยอมเสียแพงเท่าไหร่เธอก็ซื้อหากว่ามันจะช่วย ต, ต้านเ ม, มือมมลสหรือว่าช่วยกำจัดสารที่ออกไปจากร่างกาย ยาไห น, นที่เขาว่าตามมะเร็งได้เธอก็ซื้อโคคิวเท่เนีย่ยจะไปูรย ห, หน้าสารพัดออกกลางกายเธอก็ออกเป็นประจำสม่งเสมอเพราะเป็นคนที่มีวินัยมากทำมายุติยี่สิบปีแล้ววันหนูพ่อจุดเป็นมะเร็งจะตกใจ เราก็ทำใจไม่ได้เติร์ึกโกรธเหมือนว่าถูกหลอกว่าเอาเกมพวกนี้มันจะไม่เป็นมะเร็งไยทำไมถึงไม่เป็นในใจุงจะนึกไปด้วยว่าทำไมต้องเป็นชั้นไมันไม่แฟร์เลย ไอ้นคนที่กินเหล้าสุบลีดแดนไม่เป็นมันกลับมาเป็นกาชั น, นเออหดหงิดหัวเสียกราดเกรียวตลอดเวลาที่เจ็บปว่วยเวียนวินใส่หม อ, ออยาบาลจนกทั่งไม่มีใครเนี่ยจนกทั่งคนก็เขาระอาไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้ เธอทุกทรมานตลอดเวลาที่เจ็บป่วยและตอนที่ตายก็ตายไม่สงบแม้าทั้งตอนตายเธอก็อยังยอมรับ ก, กับความจริงื่าตัวเองเป็นเมเร็งไม่ได้แต่มันมีอีกกรณีนึงที่น่าสนใจเปรียบเทียบกันได้ดีมาก หมอคนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปเรี่ยมผู้ปว่วยเราก็ขอดูประวัติอ่านประวัติแล้วก็หนักใจเพราะว่าคนไข้คนนี้เป็นผู้ชายวัยกลางคนเป็นมร็งที่ใบตน้าแผลนใหญ่อ่านั้นังกินแก้มแล้วก็จมูกแล้วก็ลึกฝีปากมาแผลใหญ่มาก มะเร็งใบหน้าซึ่งเป็นโรคที่หายยากแต่ใครเป็นแล้วก็จะปวดมากบัเช่นนี้แม่อนุญาตให้ไปอยู่ในที่โรคการแจ้งเพราะว่าประสาทมันไวกระแสงมากปวดมากเพราะฉะนั้นต้องมาเก็บตัวอยู่ในที่โรคเนี่ยในห้องก็ต้องมีม่านพางแสง คนที่เป็นเมืองิต น, นี่อาจะไม่ปวดแค่แค่กายนะปวดใจทุกใจเพราะว่าเป็นที่รังเกียจของผู้คนเอาแพ้มันเห็นชัดถุงน่่จะเอาผ้คกอติดแล้วยิ่งมาเก็บตัวอยู่ในในห้องเนี่ยไม่มีใครมาสมสิงด้วยก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ หรือไม่ก็เป็นโรคสุดเศร้าในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นเมเริงชนิดนี้เนี่ยหนึ่งในสี่หรือ 25% ค้าเปซ่าตัวตายหมอเยพอรู้ว่าจะไปเยี่ยมคนไขนนี้แกก็หนักใจแต่พอไปถึงนไปที่บ้า น, นพอไปถึงก็ก็ผิดคาน ประโยคแรกที่คนไข้เจ้าของบ้านถามคือคุณหมอสบายดีไหมถ้าถามอีเชาโอเคนะถ้าถามว่ามาทำไมเนี่ยางไม่ดีนะถ้าถามมาทำไมใชงว่างุ่หงิงงดนะไม่มีอารมณ์พูดคุยกับใครบค้าตอนนี้ตรงข้ามนะแกก็สนทนาโอภาปาศาดีแกก็เราวังว่างแกก็วาลูก คือทำให้จิตใจผ่นคลายคือไปคุยก็ก็เล่าถึงประวัติของแก่ว่าตอนแกยังหนุ่มเนี่ยแกกินเหล้าเมายานเพราะว่าทำ ม, ม่ได้เเมามากกินหนักสูบบุหรีหนักชื่อไม่เป็นรถเป็นทายแต่งงานก็ยากลูกก็ต้องไปอยู่กับเนียแต่เล่าไปก็เหือกับว่าแกยอมรับอยอดที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยเพราะว่า การใช้ชีวิตที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้เลืกเอกเลือกพฤติกรรมเสี่ยงแต่ว่าอีเหตุผลหนึ่งที่สำคัญกว่านะที่ทำให้แกสามารถอยู่มะเร็งปากมเร็งใบหน้าได้โดยที่ไม่ได้มีการทุกทรมานมากก็คือว่าวันวันหนึ่งแกก็ไม่เคยได้ทำอะไรนอกจากวาดภาพแกก็ดูโทรทัศน์ช่องที่แกดูเป็นประจำคือ c n เเอ เซนเอเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามการก่อการร้ายภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนแรงอดอยากยโหยหรือว่าโลคระบาแดแะ่ดูไปดูไปแกก็ได้กคิดว่ามนุรู์เบาเนี่ยนะไม่ว่าโดยหรตัหรือว่าอยู่ที่ไหนนะมันทุกทั้งนั้น มันนี้ทุกข์ไม่พ้นและก็คิดต่อไปถึงตัวเองแกก็โยมมาตื้งเนี่ยไอ้ความจะเปวดองแก่เนี่ยมันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดกับมนมุษย์พูง่าคือแกมองความทุกข์ที่แกที่เกิดขึ้นแกเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ก็เป็นกันเพียงแต่ว่าเจอในรูปแบบที่แตกต่างกัน บางคนเจอน้ำท่วมบางคนเจอถผงนดิไวบางคนเจอไซคโคลนแต่ตัวแกเจอมะเร็งไอ้การที่เห็นความจริงแบบนี้ทำให้แก ย, ยอมรับได้พอยอมรับได้ก็อยู่กับมะเร็งได้แกบอกหมอเนี่ยชีวิตนี้ตอนนี้นะแกพยายามที่จะดูดาเตือให้ดีที่สุดเพื่อลูก ก่อนหน้านี้ไม่เคยเดนเงื่ออยู่กับลูกเลยตอนที่แกจะขออยู่กับลูกให้นานที่สุดหมอบอกว่าแกจะอยู่ได้สามเดือนหกเดือนแกอยู่ได้1ปีรองที่ป่วยแกยก็ไม่ได้ทุกทรมานมากตอนที่ ต, ยตายแกก็ตายสงบอาจารา์เล่าสอางเทสเนี่ยให้เห็นความแตกต่าง ค น, นึเป็นมะเร็งแล้วก็มีินเดีเยนกราดเกรียวตายไม่สงบคือคนนึงเป็นมะเร็งหนักกว่านะหลายแรง ก, กว่าแต่ว่าอยู่กับมันได้ไม่ทุรทุรายไม่กร า, าดเกลียวและตายก็ตายอย่างสงบ สิ่งที่ขาดเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือใจว่ายอมรับหรือปฏิเสธผักใสั่ถ้าเราปฏิเสธม น, นี่ ม, นมันมันก็ซ้ําเติบตัวเองนะเพราะว่าสิท่ที่เราปฏิเสธเนี่ยใจยใจเป็นทุกข์ความทุกข์ใจมันเกิดจากจิต ท, ที่มันดิ้นและจิตดิ้นน่ยดิ้นด้วยสองสองสาเหตุใหญ่คือ ดิ้นเพื่อจะเอากับดิ้นเพื่อผักดิ้นเพื่อจะเอานี่เราก็เรียกว่าโลภะหรือตัณหาดิ้นในสระผักสายเนี่ยเราก็เรียกว่าโธสะการเจอเหตุร้ายเมื่อเจอเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าใจเราเป็นอย่างไรถ้าเราใจผักถ้าใจเผักสายมันเนี่ย มันจะไม่ใช่แค่ทุกกายมันจะทุกใจด้วยแต่ถ้าไม่ผักสายมันนะมันก็จะทุกกายอย่างเดียวทุกใจเล็กน้อยเพราเคยมีการทำวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเวลาโดนเข็มแทงไปเนี่ยจะรู้สึกเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่เขาไม่กลัว แตลว่าอะไรก็ว่าความกลัวเนี่ยมันเพิ่มความเจ็บเป็นสองเท่าอีกเท่าหนึ่งก็คือเจ็บกายนย่เจ็บกายเนี่ยคนกลัวไม่กลัวเจ็บ่นั้นแหละแต่ถ้าคนกลัวเนี่ยความกลัวจะทาให้เจ็บเพิ่มอีกสองเป็นสามกูงว่าทุกขุณสามเนเมื่อมีความกลัว ความกลัวนี่ก็เป็นการผักไสอย่างหนึ่งเรากลัวอะไรล้วก็อยากจะหนีห่างเช่นเด่ยงความโกรดความโกรดก็เป็นกา ร, การอยากจะผักไสถ้าทำอะไรกับมันไม่ได้ก็ต้องหนีลองสังเกตนะเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยมันเพราะใจที่ผักไสและยิ่งเวลามีความปวด ปวดกายเข้ามาด้วยเนี่ยการผลักสายการไม่ยอมยไม่ยอมรับเนี่ยจะทำให้ปวดมากขึ้นแต่พอยอมรับได้ในความปวดมันทุเราเยพาคนโดนจงกลงถมถอดรองเท้านี่เนเดิมมนบนกลวดบ้างหินบ้างตรงนี้ก็มีน้าแล้วค็จะบอกว่าปวด อาจารย์ก็ยายาบอกว่าเนี่ยลองสังเกตดูเวลาเวลามันปวดเนี่ยมันปวดที่ไหนบ้างมันทุกข์ที่ไหนบ้างมันไม่ใช่แค่ทุกข์ที่ที่เท้าเดียวนะไม่ใช่ปวดที่เทา้ามันปวดที่ใจด้วยใจที่มันกลัวใจที่มันปฏิเสธใจที่ไม่ยอมรับบางคนเนี่ยพอเดินไปชอบครั้งเนี่ยแค่เห็นกลัวอยู่ข้างหน้าเป็นหิวอยู่ข้างหน้าเนี่ย คนรุกเลยนะหัวใจตึ๊กตึกตึกตึกเลยเนื้อออกเลยงั้นเราบอกเลยลองมันความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรากลัวการเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ยอมรับมันลองลองทำใจยอมรับมันว่าเียบก็เหยียบว่าเจ็บก็เจ็บ ก็ให้ลองสังเกตดูใจเรื่อยนะว่าใจมันตอบต้านผักใสมันบวมว่อวายตีโคตีนะ่ีพายไ้มหลายคนบอกมันแล้วคณบอกเห็นแต่พอมีสติแล้วก็รู้แล้วก็วา่าใจมันดุดบนดุๆๆดเว่อวายพอลุกขึ้นพอไปเดินเนี่ยนะหลายคนก็บอกเออมันเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงอาจจะเพราะว่าชินชา แต่ที่จริงวันเดียวมันก็จะไม่ไม่ชินเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเพบว่าเป็นเพราะใจมันทุกน้อยลงใจมันยอมรับได้พอใจยอมรับได้นเนี่ยนะความความปดวดก็ทุเลามีเพื่อนคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมแล้วคนกล้าสิบวัน ต้องมานั่งตั้งเป็นชั่วโมงชั่วโมงติดต่อกันหลายวันเธอก็ไม่เคยได้ไปฏิบัติเท่าไหร่นะพอมานั่งเนี่ยสามสี่วันติดต่อเนี่ยปวดมากเยปวดก็พยายามทนแต่ความปวดไม่ได้ลดลงเลยยิ่งปวดหนักขึ้นปวดมันก็ว่าขานะมันจะ กระดูขายมันแยกจากกันในใจนมันน้อนรูป ม, มันบนโวยวายไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยิ่งทรมารยิ่งทุกข์ตั ว, น ห, วนหนึ่จุดนึงมันมันพูดว่าจะตายแล้วถ้านั่งนาจะตายแน่แล้วมันก็มีความขี้หนูแวบขึ้นมาตายก็ตายว่า พอคนที่นี้แวรพุมานะความปวดมันรูปหายไปมันไม่หายหมดแต่มันลดไปเยอะเลยทำไมเพราะคจที่่เธอบอกว่าตายก็ตายวะเนี่ยจิตมันยอมจิตมันยอมเนีคือยอมตายมันยอมรับสิ่งที่เกิดพอยอมรับนี่จิตมันหยุดดิ้นแล้วความทุกข์ใจก็จะหายมันเหลือแต่ความทุกข์กาย จะประหลาดใจมากอันนี้ผม เ, เ, เล่าให้ที่ซุยนะที่เราซุยเล่ า, ลาไปแล่าไปมาเราเมื่วันที่เข้าไปเกิดไปเสีไปตายบนแถวเท็กซันเดียตรงเขาเรียกว่าไงทางที่ไปวารีฟร์เรลอาจจะมาก็ไปไมาแล้วไปก่อนซุยสองเดือนบางคนเนี่ยการหนักมากนะหลายคนเนี่ยความสูงแค่สามพันกมตรเนี่ยแต่ว่าพอขึ้นไปที่ ความสูงสี่พันมันมีเทเาสซร์ที่ชาวชิดไปไปจาวิกพอลงมาเนี่ยสามพันกว่าร่างการไม่ไหวจะตายให้ได้ทำยังไงก็ไม่หายหายใจไม่ค่อยได้เลย อยาก็ไม่มีจากที่ซื้อร้านพอถึงหลายชั่วโมงนะมันแย่ไปเรื่ อ, อ, ทอยทํายังไงก็ไม่หายจะพอเรินองตึบนึ่งเนี่ยความสุขใครจะตายก็ตายพราะว่าความรู้สึกมันดีขึ้นมนเลยการหายใจเริ่มดีขึ้นน่าจะหายใจได้ชิลลินิชิลลินิแต่ว่าเริ่มสึกดีขึ้นดีขึ้น แล้วก็กลับมาเป็นปกติได้นี่เห็นเลยนะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยความทรมานเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของใจดีเยอะเลยแต่เราตัดใจยอมรับได้เนี่ยนมันสงบเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะด้วยมาาด้วยโรคภยัยไข้ ด้วยโรคอะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือความทุกขก์ใจแต่คนเนี่ยไม่ค่อยไดตระหนักว่าในความทุกข์ของตัวเนี่ยมันมีความทุกขใจเพื่อเจือปนหรือว่าซ้าเติมเลยเนี่ยมากทีเดียวเวลาเดินเหยียบขินเนี่ยแล้วบวบอปวดปวดเนี่ยนะถามมันมาถามปวดที่ไหนแลายคนจะบอกว่าปวดที่เท้า อาตมา ก, ก็ถามว่าแล้วใจไม่ปวดบ <c oughs> ้างไหมหลายคนจะพบว่าไอ้ไอความปวดเนี่ยหกสิบเจ็สิอร์ซ็นเนี่ยนะคือปวดใจใจไม่รู้ไม่เห็นเพราะไปคิดว่ามันปวดที่เท้าอย่างเดียวถ้าเราไม่มันดูใจเราไม่เห็นนะไอ้ความปวดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันปวดใจเนี่ยหรือทุกข์ใจเนี่ยหกสิบเจ็สิเปอร์ซนของความทุกข์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความทุกข์การหรือ ป, ปวดการปวดทา้าการเนี่ยคนเนี่ ย, ยจะพูดน่าสนใจว่ามะเร็งเนี่ยนะมันไม่ทําให้รอยยิ้มพื้นหายไปมะเร็งไม่ได้ทําให้รอยยิ้มพื้นหายไปความทุกข์ใจดังหาที่มันทาแต่ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับ แต่พอยอมรับปุ๊บี่ความทุกใจมันเพ่าเลยแล้วทำให้ยิ้มได้แม้ว่าจะยังเป็นมะเร็งอยู่อันนี้ประโยคลัตมาตมเติมนะจะเธอพูดดีนะความมะเร็งไม่ทำให้รอยยุบคุณหายไปนะการไม่รับความทุกข์ใจต่างหากที่ต่างหาที่มันทำที่จริงไม่ไม่เฉาะความ ความเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายนะบางอย่างมันไม่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายเลยแต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบพอมันเกิดขึ้นเรายอมรับไม่ได้นี่โว้ยยิ่งไม่ยอมรับหนักเท่าไหร่นี่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นหญิงสาวบางคนเนี่ยวัยรุ่นบางคนเนี่ยเป็ น, ป น, ปนมีสิวไม่กินไม่เปนใบหน้าเนยะ พอยอนรับไม่ได้โอ้โหจะเป็นจะตายไม่ได้ทุกกว่าคนที่เป็นมะเร็งสิทนะคนที่เป็นมะเร็งใบหน้าเนี่ยคนเนี่ตามาว่าเนี่ยตามาว่าแกจ ะ, ะทุกน้อยกว่าคนหลายคนมากที่เป็นสิวอ่ะประเด็นมันไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรามากเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรามีปฏิกิริยากับมันอย่างไรแม้เรื่องจิตจ้อยเ ร, เราย้อนรับมันไม่ได้เนี่ย โอ้โหทรมามากนักปฏิบัติบางคนเนี่ ย, ยปฏิบัติเท่าไหร่ทเท่าไรไม่สงบเนี่ยใครๆก็สงบกันใครๆก็รู้สึกตัวทั่วพร่องไอ้เรานี่ยห่างไกลเหลือเกินโอ้โหปมาเห็นเลยเนะพระบางรูปนี่แกมีความทุกข์มากทุกข์เพราะว่ายังไม่ยังไม่เห็นยังไม่สัมผัสกัความสงบหรือว่ายังไม่ได้รู้สึกตัวอย่างที่ใครๆคงเป็นกัน ยังไม่ตื่นเหมือนกันที่ใครเขาเป็นกันเนี่ยโอ้ทุกข์มากเลยทุกข์กับคนเป็นมะเร็งบางคนสิไอการที่ใจไม่พบกับความสงบหรือว่าใจไม่ตื่นเนี่ยมันจะว่าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยมาเมื่อเทียกับคนที่เขาเป็นมะเร็งแล้วคนแก่าตายใจพอใจมันยอมรับไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดอาการไม่ต่างคนที่เป็นสิวแล้วก็ปฏิเสธ ความทุ่มคนเราเนี่ยนะลองสังเกตตัวถ้าเป็นทุกข์ใจเนี่ยมันมักจะเกิดการที่ไม่ยอมรับเจอรถติดเรายอมรับไม่ได้พอยอมรับไม่ได้จิตตกเลยหงุดหงิดงุ่งง่าเสียงริงโทนมันไม่ได้รบ ก, กวนระคายโสมสารเลยแต่ถ้าเกิดมันดังในห้องนี้เนี่ยหรือดังในที่เรากำลังนั่งสมาธิหลายคนจะทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะคุยธ น, นาทางกาแต่เป็นเพราะทุกข์ใจ ความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากเสียงแต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมรับจีปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อชานท่านได้รับมน์ให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษตอนนันหลวงพ่อสุณนาโทกตามไปด้วยหลวงพ่อชาท่านบรรลภาพไปได้สามที่สาปีแล้วเกือบสาสิบปีตอนที่ไปอังกฤษนี่เจ้าภาพก็ให้ท่านพักอยู่ที่วิหารกลางกุงรอมตอนชื่อวิหารแฮมสเตด ตรงค่าวิหารเนี่ยมันเป็นแหล่งบันเทิงมีผับมีบาร์มีดิสโกโ้ตอนค่ำคืนจะได้มีเสียงดังกระหึ่มเลยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อเนี่ยพาคนนั่งสมาธิสี่สิบนาทีหลวงพ่อสมัยทเลา ว, ว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยโ้หลังที่นั่งสมาธิเสียงมันดังเข้ามาพระหลายรูปที่นั่งมันเป็นศุขเลยรวมทงตัวท่านด้วย เสียงดังหลวงพ่อว่าเนะี่ยร้องเพลง ไ, ไม่ได้เป็นสับปรดเลยอันนี้มันหนักเขาอกแต่หลวงว่าชานั่งหลับนั่งนั่งนั่งสมาธิสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทำสมาธิเสร็จเจ้าภาเนี่ยก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกขอโทษที่เสียงดนตรีมารบ ก, กวนทำให้นั่งสมาธิไม่ได้ หลวงพ่อชาติท่านก็ยิ้แล้วก็บอกว่าโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต้องหาที่ไป ร, รบกวนเสียงเข้าใจไหที่โยมทุกในพ่อโยมเนี่ยใจโยมเนี่ยไปทะเลาะเบาแหวนเสียงนะไปผักใสไปต่อต้านไปบ่นกลด่าเสียงนะั้นทําไมมันดังอย่างนี้ว่าเบาๆในเว้ยอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือไปทะเลาะกับเสียง เสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไปทะเลาะใจที่ไปผักสายใจที่ไม่ยอมรับแต่ถ้าเรายอมรับเสียงนั้นได้นะสงบเราจมาไปสังเวชนิสถานนะสามสปีก่อนนะพวกเราเคยไปพุทธคยากนะันไหมพุทธคยาอย่างนี้นะ มันคนเยอะมากวันหนึ่งเป็นหมื่นและตลอดเวลานี่นะยพาะช่วงตั้งแต่สายจนถึงเย็นนี่นะเสียงดังมากนะพระไทยไปถึงคณะคนไทยไปถึงก็ร อ, อบประทัดสียงอิติปิโซอิจิปโซนี่ไม่พอขยายเสียงด้วย <c oughs> ยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งได้ผนมากเท่านั้นแล้วมีนณะเดียวที่ไหน นะทุกคณะก็ร้อสงส่งเสียงดางแล้วไม่มีคณะคนไทยพมา่าลังกาคเห็นทิเบตนะก็ต่างสวดมนต์กันสวดรอบประทัดศีลอไม่พอนะบางทีก็มีงารนั่งอยู่ใกล้ๆ ก, กับใ euh, กล้ๆต้นโพะราะใว่าชรอาจแท่นแทนวชราอาจเนี่น Welt, นนยก็มีการแสดงธรรมสวดมนต์นธรทวัดชาวัดเย็นทาวจี๋เดก็ ก็หืมเลยนะนโมอะไรเงีนนะ้ยแต่สังเกตว่ามีหลายคนเนี่ยนั่งอยู่รอบๆใจ ด, ดีนะนั่งสงบสมาธิสงบถามว่าเขาสงบมากเลยนะถามว่าเขาไม่ได้ยินเหรอเขาได้ยินแต่ใจเขายอมรับว่าเออเป็นเสียงของอสารเสิญพระพุทธสารเสิริญคุณพระรัตนตรยัยเป็นเสียงแห่งศรัทธา พอรู้สึกดีกับเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะใจมันก็ยอมรับได้เสียงดังไปใจไม่ผักสายก็สงบถ้าเสียงแบบนี้ในระดับถ้าเอาเดซิเบลแบบเดียวกันนะสมมติร้อยเดซิเบลเนะเช่นไปไปอยู่ที่ดินถนนอยู่กลางตลาดแล้วเสียงดังพอเนี่ยนะอาตมาว่หลายคนเนี่ยนั่งไม่ได้ทั้งที่เสียงเดซิเบลในระดับเดซิเบลเท่ากันเลยเพราะอะไร มันไม่ยอมรับมันเป็นเสียงรถยนต์เสียงอุปทึกเสียงคนเสียงพูดคุยนี่ยปัญหาอยู่ที่ระดับความดังของเสียงอะไรที่ใจไม่ยอมรับหรือเปล่าใจมันยอมรับได้ น, นะนะเสียงดังแค่ไหนใจก็สงบแล้วเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะหรือเวลาเกิดเหตุร้ายกับเราเนี่ยให้เราลองกลับมาที่ใจเราเวลาเราทุกข์เนี่ย ว่าใจเรามันตอต้านผักสายใจเราไม่ยอมรับรู้ตาถ้าโทรศัพท์หายเงินหายเนี่ยก็ใจไม่ยอมรับเี่ยผ่านไปกี่วันก็ยังเสียใจมันจะไม่เสียแต่ของมันจะเสียใจด้วยเสียใจสไปเป็นกานทำงานก็เสียงานกินไม่ได้นอนไม่หลับ ผ่านไปหลายวันก็เสียสุขภาพทำงานมีอารมณ์บาจอยมีเพื่อนมาเยา่อมาแย่แต่ก่อนปกติก็แซวกลับแต่พออารมณ์ไม่ดีเพื่อนไม่ยอมมามาเย้าก็ดา่าด่าเลยทะเลากันเสียเพื่อนหนึ่งแทนจะเสียแต่เงินนะก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียคนเพราะอะไรไม่ยอมรับ มันก็เลยเสร็จมันก็เลยหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับเหตุการณ์นั่นแหละแต่พอเรายอมรับมันได้นะใจมันเบาเลยมันวางลงได้นี่เราสังเกตเนี่ยเวลาเราทุกข์เพราะเรื่องหดก็ตามเนี่ยไม่ว่าเป็นเรื่องงานเรื่องทรัพย์เรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคนเราเนี่ยทุกข์เนี่ยมันก็มีแต่สีเรื่องนี่แหละ นะทุกข์เพราะเรื่องกายทุกข์เพราะเรื่องทัพย์ทุกข์เพราะเรื่องงานหรือเงินงานหรือการเรียนแล้วก็ความสัมพันธ์ไอ้ที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะใจมันไม่ยอมรับแต่พอยอมรับได้มันสงบเลยอาจารย์กําพลทองบุญนุ่มเนี่ยท่านพิการตั้งแต่คอลงมาตอนหลังปฏิบัติตธรรมเนี่ย ทุกทรมาร์มา16ปีพอปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติอารมณ์ว่าเทียนเนี่ยเห็นความจริงว่าไอท้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการไม่ใช่เราพิการนนะต่างกันนะระหว่างกายพิการกับเราพิการพอเห็นตรงนี้เนี่ยจิตมันละจากความทุกข์เลยหลังจนากนั้นต่อมา20ปีก็เป็นมะเร็งเพราะว่าเป็นมะร็ง แต่อาจารย์กำพลก็สงบแล้วก็ยังยิ้มแยม้มหมอบอกว่าเป็นดีด้า น, นแค่หกเดือนแกนได้เกือบสองปีอาจารย์กำพลเคยพูดไว้ว่าพูดถึงตัวเองแล้วก็ให้คำแนะนำด้วยเวลาป่วยนยนะหนึ่งให้อยอมรับความจริงสองคื อ, อยอมรับเราเราเป็นมะเร็งแล้วบนโวยวายที่โวยวายไม่ได้ช่วยอะไรเลยสองอยอมรับความเป็นไป ก็คือว่ารักษายอย่างไงมันก็ไม่หายแล้วก็สุดสุดเนี่ยมันก็หนักลงไปเรื่อยๆหนักลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นมะเร็งก็ลาบไปเรื่อยๆจนถึงแก่ที่ ด, ดี๋ยวมรัวความเป็นไปไม่หายก็ไม่ทุกข์เพราะว่าก็รู้ว่าความเป็นไปของมะเร็งแบบนี้คือมันรักษาไม่ได้มันมีแต่จะลามไม่ช้าก็เลยนี่เราเยอมรับความเป็นไป แต่ถ้ายอมรับไปใจผมทุกข์มากเลยหายใจก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไม่หายไม่ลดสามยอมรับความตายถ้ายอมรับสามอย่างนี้ใจนี่ใจมันเป็นสุขเนี่ยถ้าจย์กำพนก็ก็ตายสงบการเนี่ยคนที่จะมาไหว้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็เสียใจเฉยๆสงบ เดือนเดือนหน้าหนังสือของเขาจะออกนะบันทึกของเขาที่เขาเขียนลงในเฟซบุ๊กแล้วก็จนทั่งวันเทศาลชื่อเขาหน้าอ่านว่าอยากจะแนะนําให้ลองอ่านนะไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยคนเราเนี่ยพอเรายอมรับได้เนี่ยไอ้ความไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงมันไม่ใช่บางทีไม่ใช่แคนะ่ทุกข์ใจลดลงนะทุกข์กายก็ลดลงด้วย มีู่้หญิงคนหนึงนะแกแกเป็นมะเร็งแล้วก็กปวดมากยาเอาไม่อยู่แกก็ทรมาร์แล้วแกก็ถามว่าทําไมแกต้องต้องมาเจอความปวดแบบนี้แกก็อาจจะแกคงบ่นว่าทำไมเราทําความดีเราสวดมนต์ภาวนาทํ า, าทไมเราต้องมาเจอแบบนี้ทรมานมากเป็นอยู่หลายเดือนแล้ววันหนึ่งแกบอกว่า แกเลิกบวดเลิกโวยวายใจแกสงบได้จิตอาสาก็ไปเยี่ยมทีอาสาวก็ไปถามว่าทาไมแกเปลี่ยนไปแกบอกว่าตอนนี้แกรู้แล้วว่าแกปวดทําไมแกถึงปวดทําไมแกถึงปวดความปวดเนี่ยมันทําให้แกรู้ว่า ทำให้แกเนี่สามารถจะทําให้แก่ความปวดเนี่ยมันมีมันมีขึ้นเพื่อให้แกได้ตระหนักว่าให้แก่ยอมรับความตายเพราะความตายเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้แก่หายปวดนะความปวดมาสอนให้แกเนี่ยยอมรับความตายนะต้อนรับความตายเพราะความตายจะทําให้แก่เป็นวิธีที่ทําให้แกหายปวด และการที่แกสามารถจะยอมรับความตายเผชิญความตายโดยไม่กลัวเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับลูกของแกอ น, นี่คือการที่แกจะมอบให้กับลูกได้ก็คือการที่สอนให้ลูกได้เห็นว่าคนเราควรจะเผชิญความตายอย่างไรเราสามารถจะเผชิญความตายด้วยด้วยใจที่สงบได้โดยไม่กลัว แกแกแกเห็นว่านี่ความเจ็บปวดเนี่ยมันมีเพื่อเหตุ น, นี้หนึ่งเพื่อให้แกยอรับความตายได้ให้แกโ อ, อกก่กอดความตายว่าความตายเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เป็นวิทย์ที่จะทำใหหายปวดและการที่แกยะรับความตายได้เนี่ยมันจะมีคุณประโยชน์กับลูกมากมันเป็นการที่แม่มเป็นเหมนกบบทเรียนสุดท้ายที่แม่จะสอนลูกว่าเราสามารถจะตายโดยไม่กลัวได้ เรแกเห็นอย่างนี้นะแกอยู่ความปวดได้เลยเพราะความปวดที่มันมีประโยชน์ตรงนี้เองแกยอมรับได้แต่ก่อนแกไม่เข้าใจปวดทําไมถึงปวดนะทำไมทําไมพระเจ้าจึงให้ทําให้เราปวดหรืออะไรเงี้ยนะแต่พอใ ก, กยอมรับความปวดได้วความปวดไม่มีจุดหมายแบบนี้เองแกสงบเลยมมปวดยังปวดเหมือนเดิมแต่ใจยอมรับได้แล้วว่า อ๋อมันมาเพื่อเหตุนี้เพราะฉะนันจากการยอมรับมันยอมได้หลายแปบเช่นยอมรับได้ว่าเป็นธรรมดาอย่างคนที่เป็นมะเร็งปัยหน้าก็ยอมรั้วว่าไอ้ความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยล้วนทั้งความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเพราเรามองว่ารถติดเป็นเรื่องธรรมดาในกรุงเทพเราก็ไม่ทุกหรือยอมรับได้ว่าอ๋อมันมีมันมีจุดหมายมันมีมันมีเหตุผลมันมีวัตถุประสงค์ ที่มาสอนเราใช่ไหมการกอมรัอีกอย่างคือยอมรับเพราะเห็นว่าพ่อมองมาในแง่ดีมองบวกกับมันอันนี้คล้ายๆกับ ก, การที่พูดเมื่อสักครู่มีผู้หญิงคนหนึ่งแ ก, ก, เ, กเป็นจะเป็นพยาบาลนะแล้วจะเป็นเบร น, นะนเบ ร, เรที่จะเป็นเนี่ยต้องใช้การฉายแสงและขีม่มอเตอร์บัตในโรถที่สูงมาก ซึ่งคนส่วนใหญ่หรือแทบจะร้อยทั้งร้อยเจอแล้วเนี่ยแพ้อย่างไรแพ้อย่างหนักแพ้จนจะไม่ไหวแต่แบางคนเนี่ยหลังจากที่ผ่านการใช้แสง ผ, ผ่านเคมีมบัตรในดถทีงสูงแกไม่เคยแพ้เท่าคนก็แปลกใจถามว่าแกมีอะไรดีหระอมีของดีหรือเปล่า แต่บอกมีมแกก็เพีงแต่นึกว่าเวลาฉายแสงเนี่ยแกก็นึกว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์เวลารับเคียงบ่กแกก็คิดว่ากำลังได้รับน้าทิพย์ได้รับทั้งน้ำทิพย์และแสงสวรรค์พอคิดแบบนี้ขเขานี่ใจมันยอมรับพอใจมันยอมรับนะกายมันก็ยอมรับด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ยินกิจศัพท์ว่าแพ้หนักนะยังไม่ทันฉายแสงเลย ใจมันก็ต่อต้านแล้วกลัวแล้วเพราะใจมันต่อต้านแล้วร่างกายก็ต่อต้านตามมันก็แพ้เนี่ยเนี่ใจสําคัญมากเนยะตัวชี้ขาดว่าคุณยอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าคุณไม่ยอมรับคุณซ้ําเติมตัวเองเแต่ถ้าคุณยอมรับได้เนี่ยความทุกข์จะเบาบางไม่ใช่แค่ทุกข์ใจเบาบางทุกการก็เบาบางไปด้วย มันก็ฝากเอาไว้นะเพราะว่าบางทีเราบ่อยครั้งไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะบงการให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราได้หรอไม่สามารถป้องกันไม่ให้สิ่งแย่ๆเนี่ยมาถึงตัวเราได้ไม่มาถึงตัวเราได้แต่เมื่อมันมาถึงแล้วเนี่ยมาเกิดขึ้นกับกายของเราก็ดีเกิดขึ้นกับกับกับทรัพย์สมบัติก็ดีเกิดขึ้นกับบ้านเกิดขึ้นกับรถ เกิดขึ้นกับชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งภาพลักษณ์แต่ว่ามันไม่กระเทือนมาถึงใจไนดะ้คือใจไม่ทุกข์เพราะเรายอมรักหลายคนเนี่ยทำร้ายเกงเพราะการที่ไม่ยอมรับข้าราชการคนหนึ่งนะทำธุรกิจแล้วก็เจงหรือพ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบ้านจะถูกยึดรถจะถูกยึด ถ้าทั้นสูงวันนี้เนี่ยแกทำใจไม่ได้ไหมยอมราไม่ได้ว่าต่อไปต้องไปอยู่ห้องแถวหรือไปอยู่ทถวเฮ้าส์ยอมราไม่ได้ที่รถคันรู้จ่าถูกยึดไปต่อไปต้องนั่งทางน่องแท็กซี่หรือว่านั่งรถราคาถูกแกฆ่าตัวตายทั้งที่ถ้าแกยอมรับทุกอย่างเออต่อไปนี่เราต้องอยู่บ้านหลังเล็กลงต้องนั่งแท็กซี่ พอยอมรับได้ใจรันก็อยู่สุขสบายแต่พอยอมรับไม่ได้ในี่แค่นี้ก็แทนที่จะเสียแต่ทรัพย์เสียแต่บ้านเสียรถเสียชีวิตด้วยซ้ำเติมตัวเองเราก็พอสมควรในเวลาที่ตื่น